นิจจังความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีความคงที่คงสภาพเดิมได้ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นของใช้ต่างๆในชีวิตประจาวันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันมันผุมันพัง มันแตกมันหักมันเสื่อมมันสูญสลายไปแล้วไม่รู้กี่พันชิ้นพันอย่างไม่รู้กี่หมื่นชิ้นหมื่นอย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างทั่วๆไปที่แสดงให้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงแท้ในตัวของมันเองแบบง่ายๆธรรมดาธรรมดาซึ่งปุถุชนคนธรรมดาจะเห็นความไม่เที่ยงแท้ ในตัวมันเองนี้ได้แล้วเกิดการปลงการวางภายในใจที่เห็นความไม่เที่ยงแท้แสดงให้เห็นต่อหน้าแบบนี้มักจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะซื้อใหม่หาใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่แทนที่ของเดิมบางคนอาจเสียใจอาจเป็นทุกข์ร้องไห้เศร้าสลดใจ สักช่วงเวลาระยะหนึ่งที่เห็นบุคคลที่อยู่กันมาเห็นหน้ากันอยู่ดีๆกลับล้มหายตายจากกันไปแบบไม่ทันตั้งตัวรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองที่มีระดับที่พอจะทำให้ปุถุชนคนธรรมดามองเห็นซึ่งความจริง ของธรรมชาติที่ซึ่งไม่มีใครหลีกหนีความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองอันนี้ได้เลยแล้วภายในใจเกิดการปลงการวางแล้วหันเหออกจากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้น <S <S เพื่อปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพสู่ความดั้งเดิมของธรรมชาติคือความไม่ยึดติดหรือยึดติดไม่ได้อยู่แล้ว ที่ภาษาบาลีเขาเรียกกันว่านิพพานนั่นเองแต่คนส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเบื่อสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์และไม่ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่ว่าบุคคลชนชั้นใดยากดีมีจนเขาจะหันเหวิถีจิต เขาจะหันเหวิถีชีวิตของเขาเข้ามาเองเมื่อเขาได้ทุกเต็มที่แล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วขอเป็นอิสระจากสิ่งที่เรียกว่าความทุกนี้สักทีใครก็ได้ช่วยสอนหน่อยช่วยบอกหน่อยจะออกจากทุกได้อย่างไรเขาจะยอมลดทิฐิความมีตัวตน หรืออีโกของเขาลงมาเองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ในตัวมันเองที่แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาและยังหายใจอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนชนชั้นไหนยากดีมีจนมีเหมือนกันหมดประสบพบเจอความจริงแห่งธรรมชาติขอ้อนี้เหมือนกันหมดมันคือความไม่เที่ยงของจิตความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของใจและการดับไปของความรู้สึกทุกชนิดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมา ล้างหน้าแบ่งฟันก็เริ่มแล้วจิตหรือใจก็เริ่มทำงานแล้วคิดไปเรื่อยเแปดพัน0ก้9จนอาบน้ำเสร็จก็ไม่ไวายปรุงไปเรื่อยเข้าเรื่องโน้นออกเรื่องนี้จนตกค่ำนอนหลับไปเช้าวันใหม่ก็หมุนมาอีกครั้งลักษณะการปรุงแต่งของจิตแบบนี้โดยเบื้องหลัง มีตัวหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นประธานอยู่ตลอดเวลามันคือตัวยึดมั่นถือมั่นที่มีชื่อว่าตัวตนมันคือตัวสำคัญมั่นหมายว่าจิตหรือใจนี้คือเราเรามีตัวตนและทุกอย่างที่จิตของเรากุ่งขึ้นมานี้มันมีความรู้สึกมันอินได้มันคือความรู้สึกของเรา มีเราในความรู้สึกนั้นๆและมันเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดความรู้สึกรักโลกโกรธหลงที่เป็นของเราอีกมากมายก่ายกองจริงๆแล้วไม่มีใครในสากล น, นี้ที่จะสามารถห้ามจิตไม่ให้ทำงานได้แม้แต่องคุตธะเองก็ไม่สามารถทำได้ แต่ท่านปลงท่านวางท่านปล่อยความเห็นผิดหลงผิดที่ยึดมั่นถือมั่นไปว่าจิตนี้กายนี้มีตัวตนให้คืนสู่ความจริงแห่งธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วจิตที่เคยทำงานโดยความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนมีตนในจิตในใจ มีตนในทุกความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาก็เกิดการปลงการวางการคลายอุปทานที่ชื่อว่าตัวตนลงคืนสู่ความดั้งเดิมที่ไรตัวไรตนอยู่แล้วจิตก็เกิดการดับขึ้นสิ่งที่ดับไปนั้นก็คือตัวตนนั่นเองดับไปทุกขณะทุกขณะทุกนาที ทุกวินาทีคราวนี้จิตที่ไร้ตัวไร้ตนนี้ก็ยังทำงานปกติแต่ทำงานอย่างอิสระไร้พันธนาการไร้ความรู้สึกที่จะเป็นชื้อให้เกิดอารมณ์รักโลภโกรธหลงร้อยแปดพันก้าอันใดจิตที่ไร้ตัวไรต้รตนนี้ ก็ยังทำงานปกติแต่ทำงานในลักษณะที่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ใดๆไม่ได้มันอินไม่ได้เหมือนเก่าเพราะไม่มีอะไรให้อินมันไร้รสชาติไม่เหมือนเก่าเพราะจิตมันทำงานอย่างพอดีพอดีไม่ก่อเกิดขยับให้รกในหัวสมองจนถึงที่สุดแล้วจิตที่ทำงานอยู่นี้ มันยังทิ้งแม้กระทั่งความเป็นจิตเองไม่สนใจว่าจิตนี้มีอยู่หรือไม่มีข้ามได้แม้กระทั่งความเป็นจิตเองไม่เหลือเชือ้อไม่เหลือเยื่อใ่ให้ก่อเกิดการเวียนว่ายตายเกิดอันใดอีกเลยเขาเลยเรียกกันว่าพระอรหันต์คราวนี้ย้อนมาเรื่องที่ว่าความไม่เที่ยงของจิต ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของใจและการดับไปของความรู้สึกทุกชนิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างไรนี่คือความจริงของธรรมชาติใครเชื่อใครไม่เชื่อแต่ก็ไม่มีใครหนีความจริงข้อนี้พ้นความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รถผิวกายถูกสัมผัสและสิ่งที่ผุดขึ้นมาเองในจิตในใจทุกอย่างจะถูกส่งมาที่จิตแล้วจิตก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆแล้วอารมณนน์นั้นๆที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเช่นอารมณ์โกรธมันรักษาสภาพโกรธนั้นไว้ได้ไม่นานต่อให้พยายามประคองไว ให้นานขนาดไหนให้มันคงรูปคงที่คงตัวไว้ให้นานขนาดไหนพอสิ่งอื่นๆที่เข้ามาใหม่จากตาหูจมูกลิ้นผิวกายใจสมมุติว่ามันคืออารมณ์รักอารมณ์โกรธก่อนหน้ามันจะเริ่มไหวเอ็นทันที พอตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี้หันไปสนใจอารมณ์รักที่เข้ามาใหม่นั้นตอนไหนอารมณ์โกรธก่อนหน้านั้นจะเกิดการดับไปเองโดยตัวของมันเองทันทีโดยที่เราจะเอาตัวตนกลับมาสนใจใส่ใจอารมณ์โกรธอันเก่าก็ไม่ทันเสียแล้วมันดับไปเองแล้ว มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วเพราะถึงตรงนี้ก็จะมีคนเถียงขึ้นมาทันทีแล้วทําไมปัจจุบันอารมณ์โกรธยังมีอยู่ล่ะขอตอบว่านั่นมันอารมณ์โกรธตัวใหม่ที่คุณหลงเข้าไปประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ตัวเก่ามันดับไปตั้งนานแล้วนี่คือความไม่เที่ยงของจิตซึ่งไม่สามารถรักษาอารมณ์ใดๆ ไว้ในจิตใจได้เลยมันมีการไหวเอ็นมันไม่คงที่ถาวรสุดท้ายมันเกิดการดับการดับการดับของมันเองในที่สุดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือจิตญาณใดๆไม่สามารถแช่แข็งอารมณ์ใดๆไว้ได้เลยเช่นไม่สามารถรักษาอารมณ์โกรธ ของเมื่อวานของสัปดาห์ที่แล้วของเดือนที่แล้วของปีที่แล้วไว้ได้เลยต่อให้ใครตูขึ้นมาว่านี่ไงพอนึกถึงเรื่องที่เคยโกรธมากของปีที่แล้วความโกรธนั้นยังมีอยู่เลยนั่นมันเพราะตัวตนปลอมๆที่ยังจําได้ว่าเคยโกรธแล้ว ไปสร้างอารมณ์โกรธขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่อารมณ์โกรธตัวเดิมตัวเดิมมันดับไปตั้งแต่ปีที่แล้วโน่นไงละ่ะจากตรงนี้หากท่านใดได้ยินได้ฟังแล้วเกิดการโปร่งตามวางตามแค่ทิ้งตัวตนปลอมๆที่หลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีอยู่จริงหลง ปล่อยให้มันคืนสู่ความดั้งเดิมที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วและปล่อยให้จิตทำงานของมันเองปล่อยให้มันเกิดดับเกิดดับของมันเองต่อให้อารมณ์ความรู้สึกอะไรขุดขึ้นมามากมายขนาดไหนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เราเคยหลงยึดมั่น มันว่าเรามีตัวตนอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเป็นของเรามีตัวเราในอารมณ์นั้นๆในความรู้สึกนั้นๆปล่อยมันไว้อย่างนั้นไม่ต้องเข้าไปทำอะไรกับมันเพราะมันจะผุดขึ้นมาเองแค่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งมันเป็นการใช้กล่ังที่เคยตอกย้ำมาเคยยึดมั่นถือมั่นมา และสุดท้ายมันก็จะดับลงไปเองหมดโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเพราะกรรมทางจิตที่เกิดขึ้นชั่วคราวมันจะหมดอายุระกรรมของมันไปเองตรงนี้ท่านจะได้เห็นได้ด้วยตัวเองว่าไม่ต้องใช้วิธีปฏิบัติหรือกลนอบายใดๆในการทําให้เกิดการไร้ตัวไร้ตนได้เลย มันไร้ตัวไร้ตนอยู่แล้วโดยธรรมชาติดั้งเดิมแท้ของมันไม่จาเป็นต้องใช้วิธีปฏิบัติหรือกลอนอุบายใดๆในการทำให้อารมณ์ใดๆที่ผุดขึ้นมาดับไปเองเลยมันไม่เที่ยงของมันเองอยู่แล้วมันดับไปเองอยู่แล้วแค่ปล่อยให้จิตทำงานของมันเองแค่นี้อิสรภาพของจิต ก็เกิดขึ้นพันธนาการใดๆที่เข้าไปทากับจิตก็หมดลงสมดุลของจิตก็เกิดขึ้นนิพพานหรือการหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเองเมื่อทิ้งความเป็นเราเมื่อทิ้งการหลงยึดมั่นว่ามีตัวมีตนหลงและสุดท้ายทิ้งแม้กระทั่งความเป็นจิตหลงมันก็เลยหลุดพ้น จากโรงขังที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองนั่นเอง